พระบัญญัติ974ก็ภิกษุณีใดจจำพรรษาแล้วไม่หลีกจาริกไปโดยที่สุดแม้สิ้นระยะทาง5ถึง6โยศ์ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ